ครับเจ้าพระพายบูนมานั่งพูดอยู่ทุกวันนี่แหละให้ตัมบูฟังฟังพูดเรื่องอะไรเรื่องเดิมไม่มีเรื่องใหม่ธรรมะไม่ใช่ของใหม่ธรรมะมันอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดแล้วด้วยซ้ำแล้วก่อนที่เราจะออกจากคันมานดาไหนก็มีธรรมะอยู่อยู่แล้วเรามานี่เรามาเจอของเก่าเก่าเจอของเดิมเดิมทําไมเราต้องมาเจอของเก่าเจอของเดิมซ้าไปซ้ํามาฟังแล้วฟังเล่า ฟังมาตั้งหลาย10ปีแล้วก็ยังต้องฟังอยู่นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่รู้อริยสัจคือถ้าคนที่รู้อริยสัจแล้วเนี่ยจำนวนชาติในการเกิดณที่จะต้องมาพบเจอกับธรรมะทั้งหลายมีความทุกข์มีกันตั้ง5้าเนี่ยมันก็จะลดลงเมื่อจํานวนชาติที่ต้องมาเกิดมาเจอสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นลดลงณความเป็นทุกข์ลดลงเราก็ไม่ได้จะต้องมาทําฟังธรรมะนั้นอีกแต่เพราะว่าเรายังมีกิจที่ต้องทําอยู่ กิจที่เราจะต้องทำในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นก็คือการทำความเข้าใจในชีวิตของเราตัวเองเราจะมาเข้าใจในการดำเนินชีวิตของเราได้เราเกิดมาทำไมเราจะทำอะไรต่อไปเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีเราจะไปทำอย่างนี้หรืออย่างนั้นดีธรรมะนี่จะช่วยได้ในการที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในชีวิตของเรามากขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจในชีวิตของเรามากขึ้นแล้ว ความทุกข์มันลดน้อยลงลดน้อยลงใช่ไหมนะพอเราเจอกับความทุกข์ลดน้อยลงนะความเข้าใจในธรรมะมันก็จะมากขึ้นมันจะแปลผกผันกันนะมันจะแปลทวนกระแสะกันนะถ้าเรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะความทุกข์เราก็น้อยลงความทุกข์เราน้อยลงเราก็ไม่ต้องมาฟังธรรมได้น้อยลงเพราะความเข้าใจเรามากขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่กระบวนการที่เราจะทําความเข้าใจในธรรมะให้มากขึ้นนะเราก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติ นะฟังในลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจาได้จนหัวสมองเยอะแยะไปหมดนะหัวโตวขึ้นมาไม่ใช่แค่นั้นแต่เราต้องเอาตามความเข้าใจนี้ให้เกิดขึ้นในจิตนะัจึงเป็นหน้าที่ของข้าประชาท่หวังนะที่จะนําสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จําแจงนะจึงได้นําพระสูตรนะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นกรรมของพระเจ้าเนี่ยได้ตรัสไวนะ้เป็นเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ได้อธิบายเอาไว้บ้าง มาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังแต่วันนี้ก็ได้นํำพระสูตรที่เรียกว่าพัทธลิสูตรนำมาให้ได้ฟังกันซึ่งพระสูตรนี้มาในพระไตรปิฎ ก, กเขรียกว่ามัชฌิมานิกายและเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรนะหลายหน้าอยู่4ีห้าหน้าเกือบสิบหน้าได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าพัทธลิในภิกษุพัทธลินี้ก็ในตอนนั้นนบะพุทธเจ้าก็จะบัญญัติสิกาบท นะ่นคือสันเสริญพูดถึงการที่กินมื้อเดียวแล้วมันดีนันะกินมื้อเดียวฉันมื้อเดียวฉันมื้อเดียวพอลุกขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ฉันอีกในวันนั้นน่นะก็จะทําให้มีประโยชน์อะไรบ้างมีอาภาษน้อยมีกายเบามีโรคน้อยนั่นะก็ทําให้มีความพัฒสุขต่างๆเกิดขึ้นนะัภิกษุหรือใครก็ตามที่รับประทานมื้อเดียวเนี่ยจะเห็นอนิสงส์งตรงนี้แล้วนะพอชักชวนให้ภิกษุต่างๆทําอย่างนี้แล้ว ประกอบว่าภิกษุชื่อพัทลีนี้บอกว่าทําไม่ได้นะไม่สามารถจะยังความอุตสาหะให้เกิดทําอย่างนี้ได้ทําไม่ได้เอ่อพอเป็นอย่างนี้แล้วทําไงล่ะทีนี้ภนะิกษุอื่นเขาก็ตั้งใจฟังว่าเออพระพุทธเจ้าจะพูดยังไงต่ออิตานีดันมาบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ยอมรับไม่ยอมรับแล้เอ้าก็ผ่อนปลนให้เอางี้แล้วกันพัทลีเธอไปกินเสร็จแล้วนะที่เหลือเธอเก็บกลับมากินต่อได้ทําได้ไหม พิสวบัติลีนี่ก็ยังทำไม่ได้นะพอทำไม่ได้แล้วทำยังไงก็เลยไม่ได้บอกอะไรบอกยากสอนยากก็เงียบไปนะพระเจ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคนไหนบางทีบอกง่ายสอนง่ายก็จะบอกบัญญัติให้แต่คนไหนที่บอกยากสอนยากนะก็บางทีก็ดูจังหวะอีกเหมือนกันนะซึ่งในพระสูตรนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ได้ถึงกับว่าฆ่าทิ้งฆนะ่าทิ้งก็คือไม่บอกไม่สอนละ่นะเธอก็ไปทางของเธอฉันก็ไปทางของฉันนะแต่ว่ามีความอุเบกขามีความเมตตาให้อยู่ แต่ไม่บอกไม่สอนแต่ในกรณีนี้นักก็หาจังหวะหาจังหวะในที่นี้จังหวะ ก, ก็มาจากการดีท่านพระพัทลิเนี่ยรู้สึกถึงว่าตัวเองนี้ไม่ดีแตที่รู้สึกอย่างนั้นก็เราะว่ามีภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขาไปไปพูดให้ฟังแล้วคือคือตอนนั้นจะเข้าพรรษาพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่านพระพัทลิเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาพระเจ้าเลยตลอด3เดือนไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ไปเจอหน้ากันอา่าทำไงล่ะ พวกภิกษุทั้งหลายตอนนั้นก็ถึงก็เรียกว่าออกพรรษาแล้วเป็นจีวรการนัคือช่วงเวลาที่จะทำจีวรแล้วซึ่งในปีปีหนึ่งก็จะมีอยู่ช่วงเดือนหนึ่งนัคือตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงวันเป็นเดือน1ิบเดจนถึงวันเป็นเดือน12ในช่วงนี้ก็จะเป็นจีวรการเพื่อที่จะทำจีวรถวายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่อยู่ในอาวาสนั้นซึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเขก็ทำจีวรกันขวนขวายทำจีวรเพื่อที่จะ ถวายพระบรมชาติคือไม่ใช่ว่ารูปหนึ่งทำจีวรผืนหนึ่งนะแต่หลายๆรูปช่วยกันทำจีวรผืนเดียวนะเพราะว่าผืนบหญ่แล้วก็จะมีรายละเอียดเยอ ะ, ะต้องทำขันเล็กขันใหญ่อนุวาดอะไรต่างๆนะพราะเป็นอย่างนี้อ่าพิสูจน์ผู้ชื่อปัทลีนี่ก็คงจะไปร่วมกับเขาทําด้วยแต่แต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้พูดในลักษณะนั้นแต่แต่ว่าได้มีโอกาสไปเจอพิสูจน์ที่เขาร่วมทำจีวรกันแต่พิสูจน์ที่เขาร่วมทำจีวรในที่นั้นก็เลยเตือน นะั่ท่านพระพัทลีอย่างนี้ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่าพิกษุ์ทั้งหลายเขาเขากําลังที่จะปฏิบัติตามสิกขาบทที่พุทธเจ้าบอกแต่ว่าเธอมาเป็นผู้ที่บอกยากสอนยากยางนี้มันไม่ถูกนะให้ไปอขอเข้ามาพระพุทธเจ้าซะให้สํานึกตัวให้ดนะีเพราะถ้าไม่ทําอย่างนีนะ้จะมีความยากลําบากเกิดขึ้นในอนาคตนะคือเตือนท่านพระพัทลีนั่นเองนะพิสูจน์ทั้งหลายเตือนพระภัทลีนั่นเองว่าสํานึกตัวให้ได้ นะเพราะว่าตัวเองทําความผิดไว้แล้วก็ถ้าไม่แก้ไขนะไม่รู้จักสํำนึกตัวจะมีความยากลําบากเกิดขึ้นในภายหลังอีกนะนะเตือนในลักษณะ น, นี้เท่านพระพัทลินี่พอได้ฟังอย่างนี้แล้วแต่ก็คงจะตระหนักได้ระลึกได้เอ้แค่เราฟังที่พระเจ้าบอกสอนแล้วก็ไม่ทําตามบอกฉันทําไม่ได้ฉันทาไม่ได้นะบอกอย่างสอนยากว่าง่ายเถอะมันจะเป็นโทษยังไงแต่ตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจใช้เวลา3เดือนน่ะ จนกระทังเพื่อนภิกษุมาเตือนให้ฟังว่าพิจารณาให้ดีแต่ตรงนี้เป็นโทษนะเราก็เตือนว่าจะมีความลําบากเกิดขึ้นในอนาค ต, ต่ท่านพระพัทลีก็คงจะรับคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วก็เป็นผู้บอกง่ายในระดับหนึ่งแต่ต้องใช้เวลาบ้างนะในกรณีของท่านพระพัทลีแลก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็3มเดือนล่วงไปละสามเดือนไม่เคยฟังธรรมไม่ได้อะไรเลยพ่อไปหาแล้วก็ขอโทษนะครับ ขอขมาพระบรุตรเจ้าว่าตัวเองนี่เป็นคนผ่านเป็นคนหลงไม่ฉลาดนะไม่ได้มีความอุตสาหะวิริยะในการที่จะรับคําสั่งสอนของพบุทรเจ้ามาปฏิบัติตามในขณะที่ภิกษุสงฆ์นี่เขาจะรับทําตามอยู่นะก็ขอให้อา่ารับโทษของข้าพระองค์นั่นคือตัวเองเนี่ยเปิดเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาแล้วพอเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยทายัางไงนั้นุระเจ้าก็ไปขอให้พระเจ้าเนี่อรับ คือเห็นโทษนี้โดยความเป็นโทษนะคือคนที่เปิดเผยความผิดของตัวเองออกมานี่คือรูปแบบของพระสงฆ์นะสมมติตัวขาาว้าพเจ้าสมมติข้าพเจ้าทําผิดแต่ถ้าข้าพเจ้าทําผิดเนี่ยข้าพเจ้าจะต้องเอาโทษของตัวเองเนะี่ยเปิดเผยออกมานะเปิดเผยออกมาแล้วเอาเนี่ยไปเสนอกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในภะิกษุรูปใดรูปหนึ่งเห็นโทษของเราแล้วอ้าวเขาก็จะรับไหมรับในที่นี้ก็คือว่าปรึกษากันนะรับว่าเอ็กคุณเห็นโทษใช่ไหมผมเห็นโทษถ้าอยางนั้นคุณอย่าทำต่อ นะซึ่งรูปลักษณะนี้คือเป็นรูปลักษณะของการปลงอาบัตินั่นเองแล้วถ้าผู้ใดเห็นโทษโด้วยความเป็นโทษอีกผู้หนึ่งรับทราบแล้วนะรับในที่นี้ก็คือรับทราบแล้วนะคุณเปิดเผยออกมาละงั้นทําการแก้ไขซะให้ถึงความสมํารวมระวังต่อไปนะนี้คือกระบวนการซึ่งกระบวนการตรงนี้ท่านรพาระภัทลิได้ไปทํากับปัปรุชาวนะคือขอโทษนะโดยการเปิดเผยโทษของตัวเองออกมา ว่าตัวเองนั้นเป็นคนไม่สลาดเป็นคนพานเป็นคนหลงไม่มีอุตสาหะนะพระเจ้ากุศ์จะบอกสอนเรากับไม่ทำนะให้รับโทษนี้นะคือให้รับทราบโทษนี้ไว้แล้วก็ขอให้บอกสอนนะข้าพเจ้าก็จะถึงความสํารวมระวังต่อไปในะลักษณะนี้พุระเจ้าว่าอย่างไงพุระเจ้าพอได้เห็นว่าท่านพระพัทลีเนี่ยเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาละเอามาให้รับละให้รับทราบละทีนี้ก็เลยเตือนนะกระบวนการขั้นตอนการเตือนของพระเจ้านี่ก็แม่ ลึกซึ้งมากจนบูฟังพูดถึง6กระบวนท่าด้วยกัน6กระบวนท่านี้มีอะไรบ้างนั้นไล่ไปเลยนะัตั้งแต่พระพุทธเจ้านะัคือเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเหตุว่าเออลองดูสินะัเธอเป็นภิกษุในาศาสนานี้ใช่ไหมในธรรมะไปไหนนี้เอ า, า, า, าพระศาสดาประกาศสอนอยู่แล้วเธอไม่ทําตามกหนึ่งเขาก็จะรู้สิว่าเธอผู้นี้ไม่ทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโทษนะที่เธอตอนนั้นมองไม่เห็นอันนี้คือข้อที่1นนะึข้อที่2องสาห อีกสอย่างถัดมาก็ปรารภภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จำพรรษาหรือว่าผู้ที่นับถือคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เขาก็จะทราบว่าโอภิกษุผู้นี้ไม่ทําให้บริบูรณ์ในศีกขานะตรงนี้ท่านพระพัทลิก็มองไม่เห็นห้าอย่างละในะอีกกระบวนท่าหนึ่งคือข้อที่6ก็คือพูดถึงสมณพราหมณ์ต่างลัตินะเขาก็จะรู้ว่าโอนี่ดูสิ มีภิกษุชื่อพัททะเลนี่พอพระพุทธเจ้าจะบัญญัติศิกข้าบทอะไรต่างๆก็ไม่ยอมทําให้บริบูรณ์เขาก็จะรู้ข้อนี้แต่ซึ่งข้อนี้ภิกษุพัททะเลก็มองไม่เห็นอันนี้คือพระพุทธเจ้าชี้โทษให้เห็นนะพอตัวเองจะเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยให้พระพุทธเจ้ารับทราบแต่พระพุทธเจ้าก็เลยอาศัยโอกาสนี้ในการบอกว่านี่นะมันมีโทษอย่างนี้ห ก, กระบวนท่าด้วยกันเคอเห็นไหมนะท่านพระพัททลเก็บอกว่าโอ๊ย แม้เราโง่จริงๆเป็นคนผ่านเป็นคนหลงไม่ฉลาดนะพระเจ้าจะบัญญัติสิครับก็ไม่ทราบนะก็ขอให้พระเจ้ารับทราบละนะตอนนี้รับทราบละก็ถึงความสํารวมระวังต่อไปแลนะแค่6กระบวนกา น, นี้ยังไม่พอพระเจ้าตอนนี้ก็พูดถึงคุณวิเศษนะที่เกิดขึ้นในธรรมวันนีนี้คือเรื่องของ อ, อริยผลนะบุคคลที่จะบรรลุผลนะคือตั้งแต่โซดาปฏิผลจนถึงราตพนเนี่ยพระเจ้าก็ยก ถึงอริยบุคคล7อย่างด้วยกันคือเอาขั้นตอนเอาเบื้องสุดท้ายยกขึ้นมากันนั่นคือคนที่จะบรรลุสูงสุดเลยในธรรมะประนนี้นั่นคือความเป็นอรหัตผลแลมีประเภทไหนบ้างก็มีอุกัโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตต์อุกโตภาควิมุตต์ก็คืออริยบุคคลที่บรรลุโดยสําเร็จโดย2 ส, ส่วนคือสมาธิและปัญญานะครับอริยบุคคลประเภทปัญญาวิมุตต์ก็คือสําเร็จโดยเรื่องของปัญญาเป็นหลักแต่ก็ต้องใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนานะถึงจะได้ปัญญาตรงนี้มา หรือทางเข้าของความเป็นผู้เป็นอริยะบุคคลนะคือเบื้องตามสุดๆเลยของคนที่จะเป็นอริยะบุคคลเนี่ยก็ต้องเป็นอริยะบุคคลประเภทโสดาปฏิมัตินะคนที่จะมาเป็นโสดาปฏิมัติก็มี5แบบนะตั้งแต่ประเภทที่เรียกว่าสัท ธ, ธาวิมุตติกายสักขีธรรมานุสารีทิทธิปัสสถานุสารี5อย่างนะคือถ้าเราเอาอริยบุคคลที่พระพุทธเจ้าเคยบอก8ปดจำพวกเนี่ยตั้งแต่โสดาปฏิมัติโสดาปฏิพล สกัาคามีมรักสกัาคามีผลจนกระทั่งไปถึงอรัตผลเนี่ยนัก็จะขาเข้าเนี่ยก็จะมีโสดาปฏิบัติ5ประเภทนัไล่มาตั้งแต่สทาวิมุตธรรมานุสารีสตานุสารีทิฏฐิปัจกะยะสกีนี่เป็นต้นนัมี5อย่างในะตอนนี้นัไล่ไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายนัเป็นอริยบุคคลขั้นสุดท้ายก็คืออรัตผลซึ่งมี2ประเภทอย่างที่ว่าถ้าตรงนี้จะให้ขยายความนะถ้าบระพุทธาจะพูดละเอียดอีก ก็จะต้องบอกถึงโสดาปฏิผลด้วยนะเป็นอะไรบ้างมีประเภทสตักขตุปรมรรมมีประเภทโกลังโกละอะไรก็ว่าไปนะคือถ้าจะลงรายละเอียดเข้าไปในอริยบุคคลแปดจำพวกแยกย่อยไปอีกกี่อย่างนี่ก็ว่ากันไปอีกนะแต่ในที่นี้พูดถึงขาเข้าเฉพาะโซดาปฏิมักกับขาออกสำเร็จสูงสุดคืออรัตผลนะพูดว่าแม้บุคคลเหล่านี้อริยบุคคลตั้งแต่โสดาปฏิมักจนถึงอรัตผล ถ้าราตถาคตเนี่ยจะบอกให้ทําอะไรจะก้าวไปในหล่มนี้นักิสูจนเหล่านั้นก็จะพึงก้าวไปจะพึงน้อมกายไปจะไม่ได้น้อมกายไปโดยทางอื่นจะไม่ได้ปฏิเสธนงว่าอย่างนั้นท่านพระตลีก็รับคําด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นซึ่งในกรณีนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆนะคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะพาเดินลงหล่มไม่ใช่แต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าพุทธเจ้าจะบอกให้ทําอะไรเขาจะทําโดยไม่ขัดขืน โดยที่ไม่กล่าวแยง้งแต่ภิกษุพัทลีนี่กลับขัดขืนกลับไม่ทําความอุตสาห์ให้เกิดขึ้นปุยยังไงคือว่ายากนั่นแหละบอกยากบอกให้ทํางี้โอ้ยทาไม่ได้มีปัญหาข้ออ้างล้าน8เป็นอย่างนั้นแต่พวกถ้าเป็นอริยบุคคลเขาไม่เป็นอย่างนั้นถ้นาจะบัญญตัติพวกเขาจะน้อมฟังตั้งจิตฟังเพื่อที่จะรู้ทุวถึงว่าจะบัญญัติอะไรจะให้ทำยังไงจะทําตามเป๊ะมีความเป็นอาชาย น, นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเอาแล้ว พระพัทลีเธอเป็นอย่างนั้นไหมนนี้คือสอ น, นว่ารู้ตัวแม้ว่าตัวเองได้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นใดขั้หนึ่งหรือเปล่านะซึ่งท่านพระพัทลีก็เลยบอกไม่ได้เป็นเลยนะไม่ได้เป็นก็เลยไม่อุตสาห์ในการที่จะทำตามนะหาช่องว่างของกฎหมายนะบิดเบือนความจริงบอกยากสอนยากอันนี้แนะสดงว่าไม่ถูกละนะก็เลยปรุทจาก็เลยบอกว่าอย่างงี้แหละเป็นคนว่างคนเปล่าคนกลวงนะเป็นโมฆะ บ, บุรุษนั่นเอง ซึ่งพอชี้โทษให้เห็นอย่างนี้อีกนะเกระบวนการนะหครั้งนะบวก7ครั้งนะจำฝังเป็น13รอบนะที่บอกซ้ําบอกย้ําว่าเนี่ยเป็นคนบอกยากนะอันนี้นะโทษเกิดขึ้นเธอแบบ13อย่างนี้นะเป็นอย่างน้อยละนะเนั้นท่านพระภัระทรีก็คงจะโอ้เห็นความผิดของตัวเองอย่างมากนะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นข้อที่ผิดพลาดมากๆเลยแล้วนะก็เลยขอโทษที่จะทําความสํารวมต่อไปละ พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ก็เลยเตือนนะพอเตือนแล้วนะก็รู้สึกว่าะจะรับโทษละนะเราจึงรับโทษของเธอนะเพราะว่าถ้าใครสักค น, คนหนึ่งเห็นโทษด้วยความเป็นโทษเรารับทราบแล้วนะก็เลยสอนทีนี้นะสอนถึงข้อนะสอนสองอย่างนะเพราะว่าบุคคลที่สอนยากเนี่ยบางทีต้องใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุ่นระม่ำบ้างนะคือเหมือนกับวิธีฝึกหมานีอีกเป็นอีกประสูต์หนึ่งที่พูดถึงนายเกสิผู้ฝึกหมา และนายเกษีฝึกม้านี่ก็ใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างหรือใช้วิธีทั้งรุนแรงและละมุนระม่อมรวมกันบ้าง3อย่างซึ่งในกรณีของท่านพระพัทลินี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าุรุทจ้านี้ใช้ทั้งวิธี2อย่างนั่นะคือทั้งระมุนรุนแรงและละมุนระม่อมรวมกันนะรุนแรงในที่นี้ก็คือว่าพูดถึงโทษนะว่าอากุศลมันจะเป็นอย่างนี้นะโทษของอกุศลจะเป็นอย่างนี้ซึ่งในกรณีนี้ก็บอกถึงโทษของความเป็นผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตามสิกขาบทไม่ทําให้บริบูรณ์ในสิกขาบทเรก็ได้บอกถึงตัว่าจะมีทั้งพระอริยชาตาทั้งหลายติเตียนได้พระรูเาติเตียนได้เพื่อนพูดรู้ทั้งหลายติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้ตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้อีกมันก็จะทําคุณวิเศษอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ถึงแม้เธอจะอยู่ป่าเสพเสนาสนะอันสงัดตัวเองไม่ทําให้บริบูรณ์ในสิกขาะอยู่ป่ามันก็ไม่ได้เรื่อง อ้าเป็นอย่างนั้นีน่คือโทษละเกิดขึ้นอ น, น, นี่คือการก็เรียกว่าสอนด้วยวิธีรุนแรงนะในขณะเดีวยวกันก็สอนด้วยวิธีละมุนละม่อมนะดวยวิธีว่ า, อ, าอ่ะอา น, นิสงส์ของการประพฤติดีเป็นยังไงเราก็ได้บอกถึงอา น, นิสงส์ของการดี่จะทําให้บริบูรณ์ในสิกขานนคนใดใครสักคนใดคนหนึ่งทําให้บริบูรณในสิกขา ทำอย่างดีในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าบอกสอนบัญญัติสิกขาบทอะไรเราทำตามนั้นเป๊นะๆแล้วอยู่ปลาอยู่คนไม้นั่นะก็ได้รับการสรรเสริญโดยพระอริยช า, าทั้งหลายเทวดาก็สรนเสริญตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เขาทำดีปฏิบัติ ด, ดีเขาก็ติเตียนเราไม่ได้เขาอาจจะยกย่องสรนเสริญด้วยซ้ํานั้นะในเมื่อเราเป็นอย่างนี้ปฏิบัติตามสิกขาบทอยู่อย่างดีก็จะทําให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันอื่นๆได้ มีอะไรบ้างคุณวิเศษแต่ผู้ชาก็ไล่ไปตั้งแต่สมาธิสี่ขั้นคือชั้นที่1นชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อันนี้ถือว่าเป็นคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปละเหนือกว่าธรรมดาของมนุษย์เรื่องของทําจิตให้สงบได้เห็นความสุกในภายในความลึกซึ้งของสมาธิตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่4ี่ชั้นหนึ่งถึงชั้นที่4ี่เพราะว่าอะไรปรารภเหตุที่ทําให้สมบูรณ์ในศิกขาทั้งหลายอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของสามัญญผลด้วยเป็นผลที่เลิ เนื้อเลือของการที่เธอปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาในะปฏิบัติตามสิกขาบทนั่นเองผลเล็กๆน้อยๆนะอันนี้เราจะคุยกันในโอกาสต่อไปนะเรื่องที่ได้ตลอบไปกับท่านพระเจ้าอาชาสตรูถึงเรื่องสามัญญผลนะผลที่จะได้รับตอนนี้คือความสุขในภายไหนแน่นอนละ่นะเพราะเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะยังพอได้สมาธิแล้วก็ยังได้ปัญญาอีก3อย่างคือบุพเพนิวารสานุสติญาณคือรู้ถึงชาติกาเนิดที่เราได้กำเนิดมาในอดีต รู้ถึงจุดูปปาปปาตยานคือชาติกำเนิดที่สัตว์ต่างๆจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตแล้วก็ที่สําคัญคืออาสวะขยาณที่จะทํำอาสวะกิเลสให้มันหมดออกไปจากใจได้แตทั้งหมดวิชา3อย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะเดียวกันกันกบที่พุทธเจ้าตรัสรุปที่ใต้โคนไม้โพ ร, ราริเอจะต่างกันบ้างแต่ว่าก็เป็นคล้ายๆกันเป็นลักษณะคล้ายๆกันทีนี้พอ พ, พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วคือสอนละ ได้ให้ชี้โทษให้ทั้งหมด13ประการนั่นแล้วก็ใช้วิธีสอนชนิดที่ละมุนละไมแล้วก็รุนแรงรวมกันละนั่นท่านพระพัทลีตอนนี้น่นกเ็เริ่มเห็นโทษด้ยวยความารู้แด้ ว, ว่าตัวเองผิดตั้งแต่มาหาพระพุทธเจ้าละนั่นแล้วก็เลยถามธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปว่าทําไมอะไรเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่ทําให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมาข่มขีภิกษนะุที่อยู่ในธรรมวินยัยข่มขีในที่นี้ก็คือมามาบอกเตือนนั่นเอง แต่ทำไมพระอาอื่นต้องมาเตือนชั้นทำไมเขาถึงปรารบเหตุอะไรมาเตือนแตนะพระเจ้า ก, ก็แบ่งแยกเป็น4ี่อย่างสี่อย่างเหตุของการมาเตือนนี้แตนะ่ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่ามีอาบัติเกิดขึ้นนะอาบัติที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในภะิกษุผู้นี้โหชสร้างอาบัติอยู่เรื่อยนะเป็นตัวเหตุของอาบัติความผิดต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยนะหรือว่าอาบัตินั้นอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยๆอาจจะเกิดไม่ได้บ่อยแต่มเกิดแน่นอนพอเกิดอาบัติแล้วเป็นยังไงไม่ว่าจะเกิด เล็กน้อยเกิดไม่ได้บ่อยบางคนทาความผิดครั้งเดียวหรือบางคนทําอยู่ บ, บ่อยๆนะจะเป็นพิกูุก็ได้หรือใครก็ตามนะพอเป็นอย่างนี้แล้วทำไงก็ต้องมีการชำระ ก, กันล่ะต้องมีการที่จะแก้ไขแต่ปรากฏว่าถ้าบุคคลนี้เป็นคนวายากนะพอเขาชี้โทษอย่างนี้แล้วก็ยังเอาคำอื่นมากลบเกลื่อนไม่ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่เป็นคนที่ประพฤติตามนะประพฤตินตนออกอย่างอื่น นะขนลุกสู้เถียงกลับว่างั้นเถอะนะไม่ทําประพฤติโดยชอบนะเอาอย่างอื่นมากรบเกลื่อนคนนั้นก็ทํำดูสิฉันทําคนเดียวทาไมไม่ได้ไว่างั้นนะถ้าบอกยากอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายก็จะระงับอติกรณ์ไม่ได้โดยง่ายล่ะก็จะต้องมีเรื่องมีราวคุยกันเป็นยืดเยื้อนะทําไมคนนี้มันบอกยากหนระไม่ว่ามันจะทําผิดนิดเดียวก็ตามาคือไม่ได้ทําผิดบ่อยๆนะหรือว่าจะทําผิดบ่อยๆก็ตามแต่ถ้าบอกยากสอนยากนี่ มันต้องคุยกันยาวการลงต้นอาจจะต้องเป็นยืดยาวออกไปนะหรือว่ากว่าจะระ ง, งับอธิกรณ์ได้ลงเอ่ยกันได้นี่ก็เป็นเรื่องเยอะแยะขึ้นมานอย่างที่เราเห็นกั น, นในปัจจุบันเพราะมันก็ยากมันบอกยากนะคือบอกอยากนี่ไม่ใช่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ทําผิดบ่อยๆนะหรือเขาอาจจะทําผิดบ่อยๆก็ตามแต่ถ้าบอกอยากนะในเช่นว่ามีความปรารถนาลามกมักโกรธลบลูคุณท่านหัวดื้อตีตนเสมอมีความริษยามีความตนันหนีเป็นคนโอ้อวด ในะอยู่ท่ามกลางคนก็มีวาจาหวานแต่พออยู่ในที่ลับทําสิ่งที่ชั่วในะมีความเห็นต่ําซาไม่เอื้อเฟื้อระเบียบผู้จาปลิ้ น, ป, นป้อนโป้ปดทําทุกอย่างแม้ถ้ามันเป็นอย่างนีนะ้ความผิดที่มันปูดขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องเดียวหรืออาจจะมีเยอะก็ตามนะพระเจ้าก็แนะนําว่าให้กําจัดบุคคล น, นี้ออกไปเสียให้มันออกไปนะแต่ว่ากระบวนการในท่าผวมเป็นคนว่ายากนะไม่เอื้อเฟื้อระเบียบนะเอาความให้อื่นมาปกปิด นะแสดงท่าทางโกรธไม่พอใจเรื่องนี้จะไม่ได้จบลงง่ายจะต้องใช้เวลาในทางตรงกันข้ามนะบางคนเป็นคนวางง่านยะเอื้อเฟื้อระเบียบนะจะทําตามพิสูจน์ทงที่เขาว่ากันอย่างนั้นก็ไดนะ้แต่ว่าบางทีตัวเองอาจจะทําผิดพลาดเยอะหรือจะทําผิดพลาดน้อยก็ตามแต่ถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องแก่และถ้าคนนั้นเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายเอื้อเฟื้อระเบียบนะเป็นคนที่ปฏิบัติตามหมู่ทรงที่เขาบอกนะ ไม่ทําความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏขึ้นนะที่ก่อนนั้นในการระ ง, งับเรื่องราวต่างๆตรงนั้นก็จะระ ง, งับได้โดยเร็วอันนี้เราเห็นได้ในปัจจุบันนตบางคนบอกยากก็จะใช้เรื่องราวเยอะหน่อยแตบางนคนบอกง่ายก็จบเร็วหน่อยแต่ไม่ยืดเยื้อทีนี้อุปมาอุปไมัยตรงนี้ที่พระพุทธเายกไว้เนี่ยน่าสนใจมากท่านผู้ฟังนะเปรียบเหมือนคนที่มีตาเดียวคุณมีตาอยู่ดวงเดียวคุณมีตาสองข้างใช่ไหมแต่ว่าข้างนึงมันบอดไปแล้วหรืออีกข้างเดียว ในญาติทั้งหลายที่เขาจะมาช่วยรักษาเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าอืมไอ้หมอนี่มันเหลือตาข้างเดียวนะควรจะต้องบอกใ น, นลักษณะที่ว่าให้เขารักษาตาอีกข้างหนึ่งให้ได้นะ่ารักษาตาข้างที่เหลือข้างเดียดนี้ให้ได้ไว้ไม่อย่ากได้เสื่อมไปเลยแต่เนหะมือนกันคนที่ทําความผิดมีอาบัตไม่ว่าจะอาบัตมากก็ตามจะอาบัตน้อยก็ตามเหมือนคนที่ยังยังมีตาเหลืออยู่แค่ข้างเดียวแตนะ่คุณมีศรัทธาพอประมาณคุณมีความ รักพอประมาณในสิกขามีสรัทาพอประมาณในพระพุทธประนานประสงค์ไอ้ที่มันมีอยู่พอประมาณเนี่ยพอกินพอใช้เนี่ยอย่าให้มันเสื่อมไปเลยแต่เขาจึงมาช่วยเตือนในการที่จะให้คุณออกจากความผิดนะให้ประเทศชาไปได้นะให้หมู่สงไปได้นะมาช่วยกันเตือนให้ออกจากความผิดนะนี่เป็นเหตุที่ทําให้ทําไมหมู่สงหรือกลุ่มคนเนี่ยถึงควรจะออกมาเตือนออกมาบอกนะเพื่อใหออ้สงทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้เพื่อให้แม้แต่บุคคล น, นั้นเนี่ย รักษาความดีที่มีอยู่บ้างในตัวเองรักษาตาข้างเดียวที่มันมีอยู่ให้ใหมันเสียไปเลยนะจึงบอกที่จะให้เขาทำความดีขึ้นจึงบอกชี้ข้อผิดจึงบอกที่จะให้ระ ง, งับอธิกรณ์แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนบอกยากก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าเป็นคนบอกง่ายอธิกรณ์นั้นก็จะระ ง, งับไปได้โดยเร็วนะพ่อบอกในลักษณะนี้ละนะท่านพระภัทลิตอนนั้นก็เริ่มมีความกระจ่างมากขึ้น คิดว่านะนี่คือความเห็นของข้าพเจ้าที่คิดว่าพอท่านพัพทธลีเนี่ยได้รับการชี้โทษให้เห็นละสิขั้นตอนนะได้ทั้งได้รับการสอนในการที่ทั้งละมุนละไมและรุนแรงละได้รับถึงทราบเหตุว่าอ๋อทำไมพิสุเขาถึงเตือนเรานั่นเพราะว่าเขามีความรักมีศรัทธาให้เรารักษาตาที่เรามีอยู่ข้างเดียวให้ได้แล้วก็เลยมีความมีคําถามผูชาประการหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมศีขาบทเนี่ยสมัยก่อนศีขาบทมีน้อยแต่พระอารหาันต์นี่มีมาก เดี๋ยวนี้สิขาบทมีมากแต่พระอาหารหันต์นั้นกลับมีน้อยตรงนี้ผู้ชาก็ยอมรับนะว่าเป็นอย่างนั้นนะว่าสมัยต่อมาต่อมาหลังจากที่มาประกาศคำสอนในช่วงแรกๆเนี่ยสิบปีแรกเนี่ยพระอาหารหันต์มีมากแต่คำสอนไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็คือสิขาบทไม่ได้บัญญัติไว้มากมายแต่พอหลังจากนั้นเอ๊ะทำไมคำสอนก็มีมากนะแล้วก็าถึงว่าสิขาบทนี่มีมากไเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่พระอรหันต์ก็มีน้อยลงน้อยลงน้อยลงพิสูจิ์ที่บวชมาใหม่ไม่ได้รู้เป็นพระอรหนมากเหมือนอย่างสมัยแรกแรกตรงนี้ก็เพราะว่าในเหตุปัจจัยก็คือเมื่อไหร่ที่มีสงเป็นหมู่ใหญ่อันนี้คือข้อที่1นึ่งนะสงร่ำรวยด้วยลาบสการะนะสามเป็นผู้รุ่งเรืองได้ยศนะสี่เป็นความมีพระหูสูตรนะห้เป็นผู้ที่มีรัตัญญนะูรัตัญญูก็หมายถึงผู้ที่รู้ราตรีนานนะบวชมานานแล้วกนะ็คือมีพรษามาก ร่ารวยด้วยลาบสการะเป็นผู้เรืองยศเป็นพหูสูตรด้วยนะทรงธรรมทรงวินยัยแล้วก็มีทรงเป็นหมู่ใหญ่นะถ้าเป็นลักษณะนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีอาสวัตฐานิยธรรมอานะสวัตฐานิยธรรมก็คือทําเครื่องเศร้าหมองบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่พยิเจ้าให้พิสูจน์ให้ดูด้วยแตนะ่บางคนดีดนะีแล้วก็จกนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรืองยศมีความรู้มากมีลาบเยอะมีหมู่ใหญ่นะตรงนี้ ความไม่ดีอาจจะปรากฏขึ้นได้นะ่ะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะพอสมัยใดที่เป็นอย่างนี้สิกขาบทจะมีมากพระอรหันต์จะมีน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามควรจะเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อระเบียบนะควรจะเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายตั้งอยู่ในสิกขาพยายามทําสิกขาครอบเรื่อต่างๆให้มันสมบูรณ์ดีขึ้นมานะเพื่อที่เราจะได้รักษาดวงตาที่มีข้างเดียวของเราเนี่ยให้มันดีให้มันเห็นให้เป็นผู้ที่มีตาสองข้างนะมีตาข้างหนึ่งดีแล้ว เราเกิดมาเป็นมนุษย์ดีแล้วท่านฟังใช้ดวงตาที่เรามีอยู่ข้างเดียวรักษามันให้ดีใ น, นในการที่จะทําดวงตาดวงหนึ่งให้เห็นขึ้นมาได้ให้เห็นมีดวงตาคือธรรมะให้เห็นแจ้งในสิกขาบทเพราะถ้าเราทําตามสิกขาบทแล้วเราจะรู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4จะทําคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้มีประโยชน์มากเดีวันนี้ได้เล่าเรื่องของภิกษุพัทธลีขให้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ นะตอนต่อของเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่อ ง, องการฝึกมา้าซึ่งนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วนะซึ่งการฝึกม้าสิบอย่างอย่างไรก็ตามในตอนจบของ พ, อะพระสูตรนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านพระพัทลีนี้บรรลุคุณธรรมชัน้นใดอันนี้ก็คงจะต้องไปทําการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแต่แต่บอกว่าท่านพระพัทลีนี้มีความชื่นชมยินดีในคําสอนของพุทธเจ้านะแะเราก็คิดว่าก็คงจะตั้งอยู่ในพระธรรมนะทําสิกขาบทของตัวเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ทำตาข้างเดียวที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้มีดวงตาคือธรรมะเห็นขึ้นมาได้พระสูตรนี้นะท่านฟังข้าพเจ้ามาทบทวนหลายรอบหลายรอบเข้านี่ก็ยกมือท่วมหัวจกมือขึ้นท่วมหัวบูชาท่านพระพัทลิเลยแต่ว่าท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแก้ไขคือตัวเองผิดแล้วยอมแก้เป็นตัวอย่าง ของความเมตตาความกรุรณาของพระพุทธเจ้าเอาแค่ว่าตัวเองนะไม่ได้ปฏิบัติตามสิกขาบทมีความผิด13กระทงแค่ทำครั้งเดียวเอง13กระทงยันต้องทนฝืนทำไม่ถูกอีกอยู่ตั้ง3เดือนเป็นตัวอย่างของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่คอยจะช่วยบอกแก้ไขนะคอยเตือนท่านพระพัทลิตอนวันออกพรรษาไปละธรรมจีวรกันอยู่นะให้เห็นโทษ ด, ด้วยความเป็นโทษแก้ไขซะมนสิการแก้ไขตัวเองซะ เป็นแก้ไขแล้พระเจ้าเมตตาชี้โทษบอกให้ถึง13กระตรงมีความผิดแล้วแก้ไขทําให้ถูกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสําหรับคนที่ยอมในการที่จะแก้ไขท่านฟังอาจจะถามว่าแล้วคนที่ก็ไม่ยอมแก้ไขยังหน้าด้านอยู่แตนะ่ตัวของท่านพระพัทลีนี้เป็นคนที่มีเหี้ยอีลอตปะมีความกลัวความละอายต่อบาปแต่ละคนที่ไม่ละอายหน้าด้านอยู่ทํำยังไงนะคนดีทั้งหลายต้องช่วยกันจับเขาออกไปเสีย นะักพิสูจ์ที่ดีทั้งหลายต้องช่วยกันขับไล่คนที่ไม่ดีออกไปนะตัวอย่างในเรื่องนี้ก็ได้เล่าให้ท่านฟังฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปรวบยอดในะตอนที่ฟังมาเนี่ยสามสินาทีเนี่ยมันคืออะไรผู้ดได้คําเดียวประโยคเดียวเลยว่าผิดแล้วต้องแก้ไขถ้าไม่ยอมแก้ไขให้โอกาสให้โอกาสแล้วให้โอกาสเล่าลยังแก้ไขไม่ได้ต้องเอามันออกไปต้องกําจัดความไม่ดีในใจของเราออกไปต้องกําจัดคนที่ไม่ดีออกไป เราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ในธรรมะไว้ในนี้เจริญบาน